45, สี่ิบห้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพุธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆอาริยนาย ภาษาที่เก้ากรุงโกสัมพีพระพุทธจาิกในภรษาที่9ท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้ประทับจำพรรษาที่กรุงโกสัมพีรัฐวังสัหรือวัดสัตแต่โดยปกติเมื่อออกบรรษาแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกในชนบทมณฑลต่างๆ ได้ทรงปฏิบัติเป็นอาจินกิตคือกิจที่ทำอยู่เสมอตั้งแต่ต้นมาท่านได้เล่าถึงพุทธจาริกคือการเสด็จเที่ยวพุทธดำเนินไปของพระพุทธเจ้าวไว้สามอย่างคือ 1. เมื่อจะเสด็จจาริกไปในมหามนทนคือในชนบทมนทนใหญ่ต้องใช้เวลามากเมื่อออกพรรษาแล้วได้วันหนึ่งตรงกับการนับของไทยคือวันแรมหนึ่งคเดือน11ก็เสด็จออกจากที่จำพรรษา ในพรรษาที่ผ่านไปใหม่ๆนั้นแล้วก็เสด็จจาริกเรื่อยไปใช้เวลา9เดือนถึงวันเข้าพรรษาใหม่ก็หยุดอยู่ประทับจำพรรษา 2. เมื่อจะเสด็จจาริกไปในมัชฌิมมณฑลคือในชนบทที่เป็นมณฑลขนาดกลางๆเมื่อออกพรรษาในวันกลางเดือนสิเอ็ดแล้วก็ประทับอยู่ที่นั้นอีกหนึ่งเดือนหรือบางทีก็เลื่อนออกพรรษาไปอีกหนึ่งเดือน คือไปออกพรรษาทำปวารณาในวันกลางเดือนสิบสองวันรุ่งขึ้นซึ่งตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำของไทยจึงเสด็จเที่ยวจาริกไปใช้เวลาแเดือนจึงหยุดจำพรรษา 3. เมื่อจะเสด็จจาริกไปในอันติมณฑ น, นมณฑนที่เล็กไปกว่าหรือใช้เวลาน้อยกว่าก็ยังประทับอยู่ณที่จำพรรษาจนถึงกลางเดือนอ้ายรุ่งขึ้นตรงกับวันแรมค่ำหนึ่งเดือนอ้าย จึงเสด็จจาิกไปใช้เวลาเจ็ดเดือนก็ประทับจำพรรษาและข้อที่ทรงปฏิบัติเป็นอาจินกิจทั่วไปนั้นก็คือทรงทมปฏิสัมถานต้อนรับอาคันตุกะเช่นภิกษุที่มาเฝ้าจากที่ต่างๆและทรงแสดงธรรมตามเรื่องที่เกิดขึ้นและทรงบัญญัติศิกขาบทตามเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เสด็จจาิกไปนั้นถ้าบางคราวต้องการจะเสด็จจาิกไปด่วน ทรงดำเนินด้วยพระบาทวันหนึ่งเป็นเวลามากๆเช่นมีพระพุทธประสงค์จะเสด็จไปโปรดผู้ที่มีอุปญิสัยจะได้ตรัสรู้พธรธมโดยรีบด่วนแต่ถ้าไปโดยปกติก็เสด็จไปโดยไม่รีบด่วนวันหนึ่งวันหนึ่งเสด็จด้วยพระบาทหนึ่งในสี่ของโยตหรือว่ากึ่งโยตหรือว่าหนึ่งในสามของโยตหรือว่าโยตหนึ่งพระพุทธกิจที่ได้ทรงปฏิบัติเป็นประจำวันนั้น มีห้าประการคือหนึ่งปุเรภัตกิจกิจในเวลาก่อนพัดได้แก่เสด็จออกแต่เช้าทรงทำเส ร, รยรกิจเสด็จออกบินบาตตลอดจนถึงเสวยพัตตาหารทรงทรรมอนุโมทนาแสดงธรรมเสร็จแล้วขึ้นพระคันทกุดีคือกุดีที่ประทับแต่ยังไม่เข้าไปข้างในในคำบอกวัดแสดงไว้ว่าปุพพันเห ปินตปาตัญจัเสด็จออกบิณตาบาดในเวลาเช้า 2. ปัจฉาภัตกิจกิจในเวลาภายหลังพัดคือเมื่อเสด็จขึ้นพระกันทกุดีดังกล่าวแล้วก็ประทับเบื้องหน้าพระกันทกุดีให้โอวาตภิกษุสงฆ์ที่มาเฝ้าเสด็จเข้าพระกันทกุดีประทัดตามพระประสงค์ทรงใช้ประชานตรวจตุโลกในทุติยภาคคือส่วนที่สองของวันจนถึงในตติยภาค คือส่วนที่สามของวันคือเวลาเย็นเสด็จไปยังธรรมสภาซึ่งมีมหาชนมารอเฝ้าอยู่ก็ทรงแสดงธรรมโปรดเป็นการยุธิคือเหมาะแก่การหรือสมัยยุธิเหมาะแก่สมัยเมื่อยุติด้วยการก็ทรงบริษัท์กลับในคำบอกวัดได้ผูกเป็นบาทขคาถาไว้ว่าสายัมเหธรรมเสนางทรงแสดงธรรมในเวลาเย็นสม ริมะยามกิจกิจในยามต้นของราตรีคือแบ่งกลางคืนออกไปเป็นสามยามยามละสีชั่วโมงในยามต้นของราตรีนี้ทรงสงถ้ามีพระพุทธประสงค์จะสง์ประทับที่บริเวณพระคันตกุฎีภิกษุทั้งหลายก็เข้าเฝ้าทูลถามปัญหาต่างๆบ้างขอกำมฐ า, านบ้างและให้ทรงแสดงธรรมบ้างได้ประทานพระโอวาทต่างๆตามอวนจนสมกวรแก่เวลา ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลลากลับในตอนนี้มีคำบอกวัดกล่าวไว้ว่าประโทเสพิกุโอวาทังให้โอวาดแก่ภิกษุในเวลาหัวคำ่ำา 4. มัชิมยามกิจกิจในเวลามัชิมยามคือยามกลางของราตรีได้แก่แก้ปัญหาของเทวดาที่แสดงว่าเทวดามาเฝ้า และกราบทูลถามปัญหาในตอนมัชจิมายานในคำบอกวัดกล่าวไว้ว่าอัทรตเตเตวยว์เทวเทวปัญหนังแก้ปัญหาของเทวดาในเวลาครึ่งคืน 5. ปัจจิมยามกิจกิจในยามท้ายของราตรีแบ่งออกเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งเสด็จจงกรมคือทรงดำเนินไปและกลับเป็นการผัดเปลี่ยนพระอิริยาบถ ส่วนที่สองทรงบรรทมส่วนที่สามคือเวลาใกล้รุ่งก็ทรงตรวจดูโลกด้วยพระยานในคำบอกวัดได้ว่าไว้ว่ า, วาปัจจูเสวะกะเตกาเลพภะพภะเววโลกนังตรวจดูสัตว์ผู้ที่สมควรจะโปรดและผู้ที่ไม่สมควรจะโปรดในเวลาใกล้รุ่งพระพุทธกิจทั้งห้าประการ น, นี้ท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้า ได้ทรงปฏิบัติอยู่เป็นกิจประจําวันส่วนระสาวกทั้งหลายนั้นได้ถือเป็นอาจินกิจคือกิจที่ประพฤติเป็นประจําอยู่คือได้พากันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากชนบทต่างๆปีหนึ่งสองครั้งคือก่อนเข้าปัญษาครั้งหนึ่งเพื่อเรียนกรรมฐานและออกปัญษาครั้งหนึ่งเพื่อกราบทูลคุณที่ได้บรรลุและเพื่อเรียนกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปเพราะในตอนนั้นได้มีระสาวกมากขึ้น และได้จำพรรษาอยู่ในชนบทต่างๆมากด้วยกันจึงได้มีนิยมถือเป็นอาจินวัตรว่าในปีหนึ่งก็หาโอกาสมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยปกติก็สองครั้งและถามาไม่ได้ก็ส่งสิทธ์เข้ามาและสั่งสิทธ์ให้ถวายบังคมพระพุทธเจ้าแทนตนการเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยตนเองปีหนึ่งสองครั้งดังกล่าวนี้หรือว่าแม้เพียงครั้งเดียวเป็นการจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับในเวลานั้น เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมและได้ทรงบัญญัติพระวินัยอยู่เรื่อยเมื่อได้เข้ามาประชุมกันเฝ้าพระพุทธเจ้าก็จะได้ทราบว่าพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมอะไรไปแล้วบ้างและได้ทรงบัญญัติพระวินัยอะไรไปแล้วบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมพระวินัยถ้าละเลยไม่เข้ามาประชุมกันเฝ้าก็จะไม่ทราบและเมื่อไม่ทราบ ก็ปฏิบัติไม่ถูกทำให้การปฏิบัติไม่สม่าเสมอกันเป็นธรรมเนียมที่พระพุทธเจ้าได้จาริกในชนบทต่างๆเมื่อออกพรรษาแล้วตามที่กล่าวมาฉะนั้นเมื่อตรวจดูในหลักฐานจึงปรากฏว่าเมื่อออกพรรษาที่แปดแล้วก็ไม่ได้เสด็จไปยังกรุงโกสัมพีทีเดียวคงเสด็จจาริกไปในชนบทมณฑลต่างๆและก่อนที่จะเสด็จไปประทับจมัมรนสาที่กรุงโกสัมพี ได้เสด็จไปประทับอยู่ที่เชตวันกรุงสาวัตถีรัฐที่มีอำนาจมากสี่บ้านเมืองในชมพูทวีปครั้งนั้นแบ่งออกเป็นรัฐต่างๆเป็นอันมากดังที่ได้เล่าไว้ในพุทธประวัติแต่ว่ารัฐที่มีอำนาจมากในเวลานั้น นับได้สี่รัฐคือมคธรัฐเมืองหลวงชื่อว่าราชกหะหรือราชฤพระเจ้าพิมพิาสารทรงเป็นพระราชาผู้ปกครองรัฐโกศลเมืองหลวงชื่อว่าสาวัตถีพระเจ้าประสัิทรงเป็นพระราชาผู้ปกครองรัฐวังศะหรือวัดศั์เมืองหลวงชื่อว่าโกสัมพี พระเจ้าอุเทนทรงเป็นพระราชาผู้ปกครองรัฐอวันตีเมืองหลวงชื่อว่าอุชเฉนีพระเจ้าปัชโชดทรงเป็นพระราชาผู้ปกครองรัฐทั้งสีน่นี้มีข้อบาทหมางกันในบางครั้งแต่ก็กลมเกลียวกันหรือว่ายับยั้งไม่รบพุ่งกันได้ในบางครั้งเพราะมีความสัมพันธ์กันในทางอภิเสกสมรสเช่นพระเจ้าพิมพิสาร ก็สรงได้พระกนิทภักินีของพระเจ้าประส e n t ิไปเป็นพระมเหสีพระเจ้าประส e n t ิก็ส่งได้พระกนิทภักินีของพระเจ้าพิมพิสารไปเป็นพระมเหสีพระเจ้าปัจฉอดนั้นในตอนแรกก็ทรงมุ่งหมายจะย่ำยีพระเจ้าอุเทนแต่ก็มีเรื่องทําให้ต้องทรงเสียพระราชธิดาไปแก่พระเจ้าอุเทนก็กลายเป็นมีความสัมพันธ์กัน เสด็จประทับน ก, กรุงโกสัมพีมูลเหตุที่พระพุทธเจ้าจะไปประทับจำพรรษาที่กรุงโกสัมพีนั้นมีเล่าไว้ในอัตถคถาธรรมบทว่าที่กรุงโกสัมพีนครหลวงของรัฐวังสัจได้มีเศรษฐีสาคนคือโคสกะเศรษฐีหนึ่งกุ ก, กุตะเศรษฐีหนึ่งปาวาริกะเศรษฐีหนึ่งเศรษฐีทั้งสามนี้ได้มีความเลื่อมใสในดาบทคณะหนึ่ง วมีจำนวนถึงห0าร้อไดอารัตนาดาบทเหล่านั้นมาพักจำพรรษาอยู่ในกรมโกสัมพีเศรษฐีทั้งสก็ผลัดกันทนํานบมรุงต่อมาดาบททั้ง500นั้นได้ทราบการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงได้มาแจ้งแก่เศรษฐีทั้งสขอไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะว่าดาบทเหล่านั้นได้รับปฏิญญาของเศรษฐีทั้งสามไว้ว่า จะได้มาพักจำพรรษาที่กรุงโกสัมพีตามเคยแต่ในพรรษาที่จะถึงนั้นมีความประสงค์จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ที่พระเชตวันกรุงสาวัตถีเศรษฐีทั้งสามนั้นจึงได้ขอไปด้วยและขอให้ดาบทเหล่านั้นรอไปพร้อมกันพระตนจำเป็นจะต้องตรัสเตรียมสิ่งต่างๆมีพาหนะเกียนสาหรับเดินทางแล ะ, สะเสบียงเป็นตน้นดาบททั้งห้าร้อย ก็ขอล่วงหน้าไปก่อนให้เศรษฐีตามไปภายหลังดาบทเหล่านั้นก็ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมและขอบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาทั้งหมดฝ่ายเศรษฐีทั้งสามก็ได้เดินทางตามไปภายหลังเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมและมีความเลื่อมใสได้กราบทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าไปประทับจำพรรษาที่กรุงโกสัมพี พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงรับอาราธนาเศรษฐีทั้งสามจึงได้กลับไปยังกรุงโกสัมพีต่างก็ได้สร้างอารามขึ้นคนละหนึ่งอารามอารามของโกสกะเศรษฐีเรียกชื่อว่าโคสิตารามอารามของกุกุตะเศรษฐีเรียกชื่อว่ากุกุตารามอารามของปาวาริกาเศรษฐีเรียกชื่อว่าปาวาริการามเมื่อสร้างอารามเสร็จแล้ว ก็ได้ส่งข่าวสารไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จจากกรุงสาวัตถีไปสู่กรุงโกสัมพีประทับอยู่ในอารามของเศรษฐีทั้งสมนั้นผลัดเปลี่ยนกันไปโดยวาระเศรษฐีทั้งสามนั้นก็ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำนุบบรมรุงพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์พระเจ้าอุเทน ในระหว่างที่พระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ในกรุงโกสัมพีนี้ได้มีเรื่องเกิดขึ้นหลายเรื่องแต่ว่าก่อนที่จะแสดงเรื่องเหล่านั้นก็ควรที่จะได้ทราบประวัติของบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องประวัติที่จะเล่าต่อไปเป็นอันดับแรกก็คือประวัติของพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนนี้มีพระราชประวัติที่โลดโผนและแปลกเมื่อจะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ก็ได้ปรากฏเป็นชายหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งควบกลุ่มช้างป่าเป็นอันมากมาล้อมเมืองโกสัมพีและได้อ้างว่าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปรันตปะซึ่งได้สิ้นประชนไปได้แสดงหลักฐานคือผ้ากำพลแดงกับพระธรรมรงของพระเจ้าปรันตปะเสนาบดีและประชาชนเมื่อได้เห็นวัตถุสองอย่างนี้ก็มีความเชื่อว่า พระเจ้าอุเทนเป็นพระราชาโอรสของพระเจ้าปรันตปะที่ได้ถูกนกนําพาอไปพร้อมกับพระเทวีเมื่อพระเจ้าอุเทนยังอยู่ในพระคันและเมื่อมีความเชื่อในหลักฐานดังนั้นก็รับรองอภิเศษพระเจ้าอุเทนเป็นพระราชาของแควนั้นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าอุเทนยังอยู่ในพระคันนั้นมีเล่าไว้ว่าพระเจ้าปรันตปะซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าอุเทน กับพระเทวีซึ่งมีพระกันแก่ได้ประทับทรงสํารานอยู่บนชั้นบนของปราสาทพระเทวีได้ทรงผ้ากำพลสีแดงและในขณะที่ได้ประทับนั่งทรงพระสําปราญอยู่นั้นพระเทวีก็ได้ทรงถอดพระธรรมร ง, งออกจากพระราชอังคุลีนิ้วมือมาทรงสวมกับนิ้วพระหัตของพระนางเองในขณะนั้นได้มีนกใหญ่ชนิดหนึ่งเรียกว่า นกหัดสดีลิงคือใหญ่โตเหมือนอย่างช้างได้บินมาเห็นพระเทวีทรงกำพลแดงก็คิดว่าเป็นชิ้นเนื้อก็บินโฉบลงมาเชี่ยวเอาพระเทวีไปพระเทวีก็ได้เข้าไปอยู่ในกรงเล็บของนกแต่ก็ทรงฉลาดที่ไม่ทรงร้องขึ้นพระทรงเกรงว่านกจะตกใจในเสียงมนุษย์ก็จะปล่อยตกลงมาทรงยอมให้นกนำไปจนถึงขาคบไม้ต้นไซใหญ่ นกก็ลงจับที่ขาคบไม้นั้นซึ่งเป็นที่เคยจับเอาสัตว์มากินมีกระดูกทิ้งอยู่เกลื่อนกลลพระเทวีก็ได้ทรงร้องขึ้นปรบพระหัตนกก็ดีนเสียงตบพระหัตและเสียงร้องของคนก็ตกใจบินหนีไปและในค่าวันนั้นก็ต้องอยู่บนขาคบไม้นั้นและทรงประชวนพระคันฝนก็ตกหนักตลอดคืนพรั้นเวลารุ่งอรุณพอดีฝนก็หยุดพระนางก็ประสูติพระโอรส จึงได้ประธานพระนามว่าอุเทนหมายถึงเวลาอารุณ์ขึ้นในที่นั้นได้มีอาสมของดาบทอง์หนึ่งอยู่ไม่ไกลและดาบทนั้นก็เคยมาเก็บกระดูกไปต้มฉันในเวลานั้นเมื่อดาบทมาเก็บกระดูกตามเคยก็ได้ยินเสียงเด็กร้องเมื่อมองขึ้นไปเห็นและก็ได้แต่ถามแล้วก็รับเอาพระเทวีและบุตรไปเลี้ยงดูไว้ดาบทนี้ชื่อว่า อั ล, ลกัปปะดาบทเคยเป็นราชาของอั ล, ละกะัรัดเมื่อมีพระชนมากขึ้นก็มีความหนายในราชสมบัติจึงได้สลัราชสมบัติสเสด็จออกทรงบวชเป็นดาบทมีความรู้มนกำใจของช้างและมีพินวิเศษอยู่อันหนึ่งเมื่อดีดพินและร่ายมนบทหนึ่งช้างที่พากันมาก็จะวิ่งหนีอย่างไม่เหลืหลังเมื่อดีดพินอีกสายหนึ่งและร่ายมนอีกบทหนึ่ง ช้างก็จะเหลียวหลังมาดูเมื่อรายมนอีกบทหนึ่งและดีดพินอีกสายหนึ่งช้างที่เป็นจ่าฝูงก็จะเข้ามาหาและคอยยองให้ขึ้นนั่งบนหลังได้พร้อมทั้งจะเรียกช้างที่เป็นบริวารให้มาและฟังคำสั่งทุกอย่างว่าจะให้ไปทางไหนเมื่อพระกุมารเติบโตขึ้นในคราวหนึ่งพระดาบทก็ได้ดูดาวนักิย์ก็ได้ตรัสขึ้นว่าพระเจ้าป ร, รันตปะกรุงโกสัมพี ซึ่งปพระชนเสียจแล้วพระเทวีก็ทรงกันแสงพระดาบดจึงถามพระเทวีก็ได้ทรงเล่าความให้ฟังและก็ได้แสดงว่าพระโอรสควรจะได้พระราชสมบัติพระดาบดก็รับที่จะจัดการให้สำเร็จให้จงได้จึงได้สอนมนต์กรรมหัวใจช้างทั้งสามบทนั้นให้แก่พระราชารและได้มอบผินให้เมื่อพระราชกุมารได้ทรงเรียนจบแล้ว ก็ทรงได้ทดลองมนต์ทั้งสามบทและดีดพินทั้งสามสายนั้นเป็นที่ประจักษ์ผลดังกล่าวแล้วนั้นพระเทวีก็ได้ทรงมอบผ้ากำพลแดงและพระธรรมรงให้พร้อมทั้งทรงบอกชื่อของเซนาบดีเป็นต้นแก่พระราชกุมานเพื่อนำไปแสดงหลักฐานว่าเป็นพระราโอรสของพระเจ้าปรันตปะจริงพระราชาุมารจึงได้ทรงนาหมูช้างป่ามาล้อมเมืองและทรงแสดงหลักฐาน จนได้รับรองให้อภิเศกเป็นพระเจ้าแผ่นดินของแคว้นวังสัได้เล่าพระราชาประวัติของพระเจ้าอุเทนพระราชาแห่งวังสระราชมาแล้วจะเล่าถึงพระมเหสีทั้งสามพระองค์ของพระเจ้าอุเทนเพราะมีเรื่องที่เกี่ยวพันอยู่กับประวัติพระพุทธศาสนาด้วยพระมเหสีองค์ที่หนึ่งพระนามว่าสามาวดี เป็นทิดาบุญธรรมของโคสกะเศรษฐีพระนางสามาวดีองค์นี้เป็นทิดาของเศรษฐีในเมืองพัทธวตีแต่ภายหลังเศรษฐีตรกูนี้ถึงวิบัติในตอนสุดท้ายก็วิบัติด้วยโรคซึ่งเรียกในคำภีว่าอาหิวาตกระโรคโรคอย่างนี้เมื่อเกิดขึ้นกล่าวว่าพวกมแมลงวันมแมลงต่างและหนูตายก่อนจนถึงพวกไก่สุกร และสัตว์ใหญ่ๆที่เป็นสัตว์เลี้ยงและสัตว์ในบ้านจนถึงคนผู้ที่ต้องการจะรอดพ้นก็จะต้องทิ้งบ้านเรือนหนีไปที่อื่นเมื่อโรคเกิดขึ้นเศรษฐีในเมืองพัตวตีนั้นพร้อมกับภรรยาและทิดาก็ห น, นีไปกรุงโกสัมพีเพื่อจะไปอาศัยโคสกะเศรษฐีซึ่งเป็นสหายที่ไม่เคยเห็นกันคือต่างได้ยินชื่อเสียงของกันก็ส่งบรรณการไปให้แก่กัน นับถือกันแต่เศรษฐีกับภรยาได้ถึงแก่กรรมที่สาลา พ, พักคนที่กรุงโกสัมพีจึงเหลือแต่ทิดาธิดาของพัตตวตีเศรษฐีได้ไปขออาหารที่โรงทานของโคสกะเศรษฐีได้พบกับผู้จัดการโรงทานชื่อว่ามิตรกุลุมพีเมื่อผู้จัดการโรงทานได้ถามทราบเรื่องก็รับเอาธิดาของพัตตวตีเศรษฐีไปเลี้ยงเป็นบุตรีบุญธรรม โรงทานของโคสกะเศรษฐีนั้นโดยปกติมีเสียงอื้ออึงเพราะคนแย่งกันเข้าแย่งกันออกที่ดาของพัะตวตีเศรษฐีจึงได้แนะนำให้ทำรั้วกัน้นและทำประตูสองประตูสำหรับคนเข้าประตูหนึ่งสำหรับคนออกประตูหนึ่งเมื่อได้จัดดังนี้การแย่งกันเข้าแย่งกันออกก็หายไปเสียงอื้ออึงจึงได้สงบเพราะฉะนั้นนางจึงได้ชื่อว่าสามาวดี เดิมชื่อว่าสามาเมื่อมแนะให้สร้างรั้วขึ้นก็มีคำว่าวตีเพิ่มเข้าต่อท้ายชื่อกับเพราะวะตีแปลว่ารัว้วรวมเรียกกันว่าสามาวตีหรือสามาวดีฝ่ายโคสกะเศรษฐีเคยได้ยินอื้ออึงเมื่อไม่ได้ยินเสียงก็สอบถามว่ายังให้ทานอยู่หรือทำไมเสียงยังเงียบไปเมื่อผู้จัดการโรงทานได้เรียนให้ทราบ พร้อมทั้งได้เรียนให้ทราบถึงเรื่องนางสามาวดีซึ่งเป็นต้นคิดให้สร้างรัว้วโคสกะเศรษฐีจึงได้รับเอานางสามาวดีไปประการะเป็นบุตรีบุญธรรมเพราะเป็นธิดาของเพื่อนต่อมาเมื่อถึงวันมหรสพที่เป็นธรรมเนียมว่ากุลธิดาที่โดยปกติไม่ออกไปข้างไหนก็จะออกไปยังแม่น้ําและอาบน้ําเล่นน้ําเป็นการเล่นมหรสพพระเจ้าอุเทน แต่ทอดพระเนตรเห็นก็ทรงเกิดความสิเนหาทรงขอเข้าไปทรงตั้งไว้เป็นพระมเหสีพระมเหสีองค์ที่สองพระนามว่าวาสุลทัตตาเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าปัดโชตรุ่งอุเชนีเรื่องที่พระเจ้าอุเทนจะได้พระนางวาสุลทัตตานี้มีว่าพระเจ้าปัดโชตได้ทรงคิดจะยกกองทัพไปตีกรุงโกสัมพี ซึ่งเป็นเมืองใหญ่มีสมบัติมากแต่พวกเสนาบดีทั้งหลายได้ทูลคัดค้านว่าพระเจ้าอุเทนได้ทรงมีมนที่เรียกช้างได้และมีพาหนะแข็งแรงมีกำลังมั่นคงการยกกองทัพไปตีจะไม่สำเร็จและก็ได้ทูลแนะอุบาให้ว่าพระเจ้าอุเทนทรงโปรดช้างเพราะฉะนั้นก็ให้สร้างช้างยนให้ใหญ่และให้มีคนอยู่ในท้องได้ แล้วชักช้างยนต์นั้นให้เดินไปเดินมากับวางกําลังพลซุ่มไว้พระเจ้าปัดโชตก็ส่งปฏิบัติตามพรานป่าได้เห็นช้างยนต์นั้นก็มาทูลพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนก็ทรงยกกองทหารออกไปเพื่อจะจับช้างเมื่อไปพบช้างยนต์แต่ไกลก็ส่งร่ายมนเรียกช้างแต่ว่าช้างยนต์นั้นก็ไม่ฟังมนเดินหนีไปพระเจ้าอุเทนก็ทรงม้าวิ่งตามช้างไปแต่พระองค์เดียว จนเข้าไปในที่มีกำลังพลของฝ่ายกรุงอุเฉนีซุ่มอยู่พระเจ้าอุเทนก็ถูกทหารของกรุงอุเฉนีล้อมจับไปได้แล้วก็นำไปถวายพระเจ้าปัตโชตพระเจ้าปัตโชตก็โปรดให้ขังไว้และก็ฉลองชัยชนะด้วยการทรงเดิมสุราบานพระเจ้าอุเทนเมื่อถูกขังอยู่หลายวันก็รับสั่งขึ้นว่าจับฆ่าศึกมาได้แล้วก็ควรปล่อยหรือควรประหารเสีย ทำไมจึงทิ้งไว้อย่างนี้คนก็ไปททนพระเจ้าปัดโชดพระเจ้าปัดโชดก็เสด็จมาที่คุมขังและได้รับสั่งว่าจะปล่อยแต่ให้พระเจ้าอุเทนบอกมนให้พระเจ้าอุเทนก็ทูนว่าจะบอกถวายได้แต่ว่าพระเจ้าปัดโชดต้องทรงไหว้ครูเสียก่อนพระเจ้าปัดโชดก็ไม่ทรงยอมที่จะทรงไหว้พระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนก็ไม่ทรงยอมบอกมนให้ พระเจ้าปัดโชดก็ตรัสว่าถ้าไมบอกก็จะฆ่าพระเจ้าอุเทนก็ทูลตอบว่าข่าก็ฆ่าเพราะพระเจ้าปัดโชด น, นั้นในบัดนี้ก็ทรงเป็นใหญ่แห่งสรีระกายแต่ว่าก็ไม่ทรงเป็นใหญ่ของจิตพระเจ้าปัดโชดจึงได้ทรงคิดว่าทำอย่างไรจึงจะให้พระเจ้าอุเทนทรงบอกมนได้ทรงนึกถึงพระราชติดา ก็รับสั่งขึ้นว่าในพระราชวังนี้ได้มีผู้หญิงหลังค่อมอยู่คนหนึ่งจะให้หญิงหลังค่อมนี้มาเรียนมนและก็จะให้วหวแต่ว่าก็จะต้องกั้นม่านไว้ให้เรียนกันอยู่ภายในม่านพระเจ้าอุเทนก็ทรงยินยอมพระเจ้าปัตโชชก็เสด็จไปหาพระราชาธิดาและตรัสบอกว่าได้มีบุรุษง่อยเปลีย จนถึงกับต้องเดินถัดไปเหมือนอย่างหอยสังเดินอยู่คนหนึ่งรู้หมอนจับช้างจะให้พระราชธิดาไปเรียนมนนั้นแล้วให้มาบอกแก่พระองค์เมื่อจะเริ่มเรียนต้องไหว้ครูแต่ต้องไหว้อยู่ภายในม่านพระราชธิดาก็ทรงยินยอมได้มีการจัดให้มีการเรียนมนโดยกั้นม่านไว้พระราชธิดาก็เรียนอยู่ภายในม่านพระเจ้าอุเทนก็ทรงบอก อยู่ภายนอกม่านวันหนึ่งพระราชธิดาทรงเรียนมนก็ไม่อาจที่จะจาได้พระเจ้าอุเทนเริว้วก็รับสั่งขึ้นว่าปาาของเจ้าหนานักจะท่องบนมนเท่านี้ก็ไม่ได้เจ้านางค่อมพระราชธิดาก็เกลูวเพราะถูกเรียกว่าคอมก็รับสั่งขึ้นว่าเจ้าคนโรคเรื้อนทำไมจึงมากล่าวเช่นนี้เมื่อต่างเกลูวซึ่งกัรและกันดังนี้แล้วก็เลิกมานขึ้น และเมื่อต่างทรงเห็นซึ่งกันและกันก็เลยเกิดเรื่องอื่นขึ้นแทนเรื่องการเรียนมนก็เป็นอันยุติลงเพียงแค่นี้มนจับใจช้างนั้นไม่เหมือนอย่างมนที่จับใจคนเรื่องนี้ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่ายังไม่ทรงเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโพธภิภพที่จะครอบงำจิตบุรุษได้ยิ่งไปกว่ารูปเสียง กลิ่นรสโพธภาษของหญิงและในทางตรงกันข้ามก็มีพระอุทพสิทธิต์ตรัสไว้อีกว่ายังไม่ทรงเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโพธพาษอื่นที่ครอบงำจิตของหญิงได้ยิ่งไปกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโพธพาษของบุรุษเมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้พระเจ้าอุเทนกับพระนางวาสุลตัตตาก็คิดอ่านที่จะพากันหนี เมื่อพระราชบิดารับสั่งถามว่าเรียนมนต์ไปได้แค่ไหนพระราชธิดาก็ทูลว่าเรียนไปได้เท่านั้นเท่านี้และเมื่อจะจบมนต์จำจะต้องไปเก็บโอสดตามสัญญาของดาวฤกษ์เพราะฉะนั้นก็ขอพระราชทานพาหนะช้างฝีเท้าเร็วกับขอพระราชทานอนุญาตที่จะออกไปนอกเมืองได้ทุกเวลาพระราชบิดาก็ทรงอนุญาต ต่อมาวันหนึ่งพระเจ้าปัตโชตเสด็จออกไปประพาสภายนอกเมืองพระเจ้าอุเทนกับพระนางวาสุลัตตาก็ขึ้นพาหนะช้างพากันหนีไปและได้บรรจุเงินบรรจุทองใส่กระสอบขึ้นช้างไปด้วยเมื่อพระเจ้าปัตโชตส่งทราบทรงสั่งให้ทหารติดตามพระเจ้าอุเทนก็ทรงเทกระสอบเงินและต่อมาก็ทรงเทกระสอบทองลง พวกผู้คนก็พากันแย่งเงินแย่งทองพระเจ้าอุเทนก็หนียกไปได้จนเข้าถึงเขตเมืองโกสัมพีและก็ได้ทรงตั้งพระนางวาสุรทัตตาเป็นพระมนเสีอีกองค์หนึ่งองค์ที่สามชื่อว่ามาคันธิยาองค์นี้มีเรื่องเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนามากเป็นธิดาของพรามในรักกุรุปอยู่ใกล้กันนั้นและท่านแสดงว่านางมาคันธิานี้ มีรูปร่างงดงามมากบิดาไม่ปรารถนาจะยกให้กใครต้องการจะยกให้บุคคลผู้ที่มีลักษณะเป็นมหาบุรุษต่อมาบิดาได้พบพระพุทธเจา้าเมื่อเสด็จไปอย่างแคว้นกุรุนั้นได้เพ่งพิจพรรลักษณะเห็นว่าประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะก็มีความเลื่อมใสและปรารถนาที่จะยกลูกสาวของตนถวาย จึงได้ทูลให้ทรงทราบความประสงค์ของตนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสว่าอย่างไรฝ่ายพราหมณ์ก็รีบไปช่วนนางพรามณีผู้ภรรยากับทิดามาอย่างที่ที่ได้พบพระพุทธเจ้านั้นแต่ว่าไม่ได้พบพระองค์ทรงยืนอยู่ณที่นั้นพบแต่รอยพระบาทพราหมณ์ก็บอกแก่นางพรามณีผู้ภรรยาว่านี้แหละเป็นรอยเท้าของบุรุษผู้นั้นนางพรามณีได้พิจารณาดูรอยเท้า ก็เห็นว่ารอยเท้านี้ไม่ใช่รอยเท้าของบุคคลผู้บริโภคกามจึงได้บอกกับพรางผู้สามีพร้อมได้แสดงลักษณะของรอยเท้าไว้โดยความว่ารอยเท้าของคนที่ยังมีราคะเป็นรอยเท้ากระโยงรอยเท้าของคนที่มีโทสะเป็นรอยเท้าที่มีลักษณะส้นบีรอยเท้าของคนหลงมีลักษณะที่กดลงส่วนรอยเท้าเช่นนี้ เป็นรอยเท้าของคนที่มีลังคาเปิดหมายความว่าเป็นคนสิ้นกิเลสแล้วแต่ว่าพระไม่เชื่อจึงได้พยายามเดินตามหาก็ได้พบพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ในที่อีกแห่งหนึ่งที่ใกล้กันก็ได้กราบทูลว่าได้นําทิดามาถวายพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสที่ท่านแสดงไว้โดดปุกลาธิฐานว่าได้ทรงเห็นนางปัญหา นางอรดีนางราคาซึ่งเป็นทิดามานผู้งดงามอย่างยิ่งก็ยังไม่ทรงพอพระหฤทยัยฉะไหนจะมาทรงพอพระหฤทยัยกับนางทิดาของพระานี้ซึ่งเต็มไปด้วยมูดและกรีนางมาคันธิยาซึ่งเป็นหนึ่งทิดาของพระามณ์ได้ฟังดังนั้นก็มีความโกรธและผูกอาฆาตในพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนั้นด้วยคิดว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงประสงค์นาง ก็บอกว่าไม่ต้องการฉะไหนจึงจะมารับสั่งว่าเต็มไปด้วยมูดและกริฝ่ายพราหมณ์และพราหมณีซึ่งเป็นบิดามารดาของนางได้มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจา้าก็ได้ขอบวชเป็นภิกษุและภิกษุณีแต่ก่อนที่จะบวชก็ได้ฝากนางมาคันธยาไว้กับลุงชื่อว่ามาคันธยาต่อมามาคันธยะผู้เป็นลุงก็ได้นํานางมาคันธยา ไปถวายพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนก็ทรงรักไว้เป็นพระมเหสีอีกคนหนึ่ง ตุลาติดตามรับฟัง 45,000 ภาษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ในตอนต่อไป